ภิกษุทั้งหลายฉณะที่พวกภิกษุณีจึงเทวจาระบ้างปัสสาวะบ้างอยากเยื่อบ้างของเป็นเดนบ้างลงบนของเขียวภิกษุทั้งหลายการประทาอย่างนี้ไม่ได้ทําคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทําคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยแล้วรับสั่งให้ภิกษุณีทั้งหลายยกสิขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้